สอนพระสมเด็จเรื่องของธรรมเป็นหลักธรรมชาติที่เป็นกลางตัวธรรมมเองไม่มีเพศไม่มีวัยเป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่โดยทั่วแล้วแต่ใครจะสามารถไขว่คว้ า, วาออกมาได้การปฏิบัติจึงเป็นวิชาที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นอย่างมาก เราต้องทําเองใครทําแทนใครไม่ได้การที่บุคคลคิดจะเผยแผ่ศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่ถูกควรต้องเผยแผ่ในใจตนก่อนเพราะจุดศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติมิใช่อยู่ที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์เพียงอย่างเดียวหากอยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าจัดสรรทรร เพื่อเทวดามนุษย์แม้กระทั่งสัตว์ในราชานไว้อย่างลงตัวเหมาะสมธรรมจึงไม่มีวัยใจจึงไม่มีการเป็นสภาพที่ทรงตัวอยู่เป็นธรรมถีติผู้รู้พูดถึงธรรมคือพระนิพพานจึงอยู่เหนือไตรภูมิคือการปพบรูปพบอารูปพบ ไม่หวนกลับมาเป็นทาตของกิเลสตัณหาได้อีกในสมัยพุทธกาลสามเณรน้อยอายุเจขวบสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้เด็กหญิงตัว น, น้อยอายุเจปีสามารถบรรลุธรรมได้เป็นที่น่าอัศจรรย์พระธรรมคําำคำสอนจึงเป็นเรื่องของการศึกษาและต้องปฏิบัติเพียงศึกษาแล้วจามาคุยโม้เฉยๆยังใช้ไม่ได้ ต้องประพฤติปฏิบัติเต็มรูปแบบจึงจะปรากฏผลพิเศษขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้หลงไหลในตำรามากจนเกินไปมัวแต่ศึกษาแต่ไม่ปฏิบัติยังไม่ถูกต้องดังคำพาสิทธิ์ที่ว่าตำราช่วยให้คนหายง่ไม่ได้แต่กลับให้คนชั่วมัวเมายิ่งขึ้นดุดดังไฟส่องสว่างให้เกิคนตาดี แต่กลับทำให้ตานกเข้าแมวมืดมนนกเข้าแมวมันจึงไม่ชอบแสงสว่างพระพุทธองค์ทรงตรัสเปรียบเทียบถึงเป้าหมายของผู้ปฏิบัติธรรมะว่าป่าเปรี้ยวเป็นที่ไปของฝูงเนื้อกลางหาวเป็นที่ไปของฝูงนกการสิ้นความกําหนัดเป็นเป้าหมายของธรรมะพระนิพพานเป็นที่ไปของพระอรหันต ดังนั้นผู้ที่จะได้ดื่มดำรสพระธรรมต้องเป็นผู้ได้ออกสนามรบกับกิเลสอย่างน้อยต้องเคยได้อยู่อาศัยตามถ้ำตามป่าออกเที่ยวภาวนาสแสวงหาที่วิเวกเราจะเห็นตัวอย่างสมัยพุทธกาลพระโปธิละท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่แตกฉานในพระไตรปิฎกและอัตถกถามายาวนานในศาสนาของพระพุทธเจ้าถึงเจ็พระองค์ ท่านสอนลูกศิษย์จนเป็นพระอรหันต์มากแต่ท่านก็ยังเป็นพระที่มีกิเลสอยู่ต่อมาท่านก็สละทิฐิมานะของตนเข้าไปประคองอัญชลีประนกมือไหว้สามเณร น, น้อยซึ่งเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นศิษย์ของตนเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และขอให้สามเณรสอนธรรมท่านน้อมใจรับฟังธรรมะคาสอนจากสามเณร น, นั้นได้สําเร็จพระอรหันต์เช่นกัน ในสมัยปัจจุบันก็มีเช่นกันซึ่งเป็นเรื่องที่ควรนำมาเป็นคติแต่ที่นำมาเขียนทั้งนี้ไม่ได้อ้วกอวดเ่าท่านพอดีเก่งเกินใครแต่นำความจริงแห่งเนื้อธรรมมาตีแผ่ชี้แจงให้เราได้ทราบสายทางแห่งธรรมที่เดินจากดวงใจดวงหนึ่งสู่ใจอีกดวงหนึ่งเพราะธรรมเกิดขึ้นจากความเคารพรักและเมตตาอันประจักษ์เฉพาะหน้า ดังเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์เป็นจอมจกกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เมื่อได้ฟังธรรมจากสามณนีนิโครทะซึ่งเป็นเด็กตัวน้อยๆฟันยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมว่าผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายผู้ประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วบทธรรมสั้นๆ น, นั้น ได้สร้างศรัทธาแก่พระเจ้าอโศกเป็นยิ่งนักก็อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าทำไม่มีไว้ใจไม่มีการคนจะดีจะชั่วจะบริสุทธิ์ขึ้นูีกับความประพฤตและการกระทำไม่ใช่ว่าชาติกูลดีเกิดนานหวดนานจะดีบริสุทธิ์ขึ้นมาเองได้ข้อนั้นไม่ใช่ทางแห่งพุทธธรรม ในเรื่องนี้ข อ, อนําเรื่องท่านพอลีสอนสมเด็จพระมหาวีระวง์ในวงเล็บติดโสอ้วนเล่าโดยหลวงตามหาบัวญานสัมปโนมาตีแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเพราะสมเด็จผู้มีปฏิปทาอย่างนี้หาได้ยากยิ่งหนักเพราะสมัยปัจจุบันนี้อยากหวังเลยว่าจะหาพระสมเด็จที่ อ, อ, อ่อนน้อมถ่อมตนยอมลดตน ลดทิฏฐิมานะเพื่อสแสวงหาธรรมขั้นสูงนั้นเจอหางมเข็มในมหาสมุทรยังง่ายเสียกว่าเป็นไหนไหนในสมัยที่ท่านพ่อลีอยู่จำพรรษากับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ในวงเล็บติดโสอ้วนที่วัดบรมนิวาสปทุมวันกรุงเทพ ท่านได้รับความเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นอย่างมากแต่สมเด็จท่านไม่ค่อยจะเชื่อน้ำยาพระกรรมฐานสักเท่าไรท่านเคยออกคำสั่งไล่พระกรรมฐานออกจากป่าแม้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเองก็เคยถูกท่านไล่มาแล้วท่านพลีจึงคิดหาหนทางที่จะดัดนิสัยสมเด็จให้รู้เสียบ้างว่าธรรมของจริง ผู้รู้จริงเป็นอย่างไรสมเด็จท่านอ่านตำรามากชอบวิจารวิจัยแต่วันวันผ่านไปโดยไม่สนใจปฏิบัติสมาธิภาวนาพิจารณาสังขารทำแต่ ง, งานเผยแผ่ภายนอกคิดดูก็น่าสงสารท่านเป็นผู้มีคุณอุปการต่อเราเราต้องปฏิการตอบแทนพระคุณท่าน ด้วยธรรมที่รู้เห็นมาตามสติปัญญาที่มีเมื่อท่านพ่อหลีคิดอย่างนั้นท่านก็เริ่มปฏิบัติการเบื้องตน้นท่านจึงกำหนดจิตเพ่งกระสินน้ำและไฟในบางคราวเพ่งกระสินน้ำใส่สมเด็จสมเด็จก็จะหนาวสะบ้นสันเทาเหมือนคนเป็นไข้จับสันบางคราวเพ่งกระสินไฟ กำหนดเป็นไฟไปเผาสมเด็จร้อนรนกะวนกรวายเผาไปทั้งร่างแต่การเพ่งกะสินทั้งนี้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่กลับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยๆสมเด็จท่านจึงเรียกท่านพลีมาถามว่าเอวันนี้มันเป็นอะไรกันนะเดี๋ยวร้อนเหมือนถูกไฟเผาเดี๋ยวหนาวจนสะบัน เมื่อท่านพ่อหลีเข้าไปหาทำท่าจับโน่นจับนี้พูดว่าไหนไหนมันเป็นอะไรอากาศร้อนหนาวมันก็เปลี่ยนแปลงบ้างละคอรับเจ้าประคุณเมื่อเป็นดังนี้หลายครั้งหลายหนด้วยความที่สมเด็จท่านเป็นนักปราชฉลาดหลักแหลมช่างสังเกตหาเหตุหาผลเสมอจึงเอจใจเป็นที่น่าสงสัย ประท่าท่านพลีมาเมื่อใดอาการนั้นก็หายทันทีท่านจึงพูดกับพระ in oh. ใกล้ชิดว่าเหตุที่เป็นอย่างนี้ท่านลีคงทำเราและเราเคยดูถูกพ่อของพระกรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ท่านหลังจากนั้นมาสมเด็จท่านก็เข้าใจพระป่า อุดหนุนส่งเสริมในการสร้างวัดป่ากรรมฐานเช่นวัดป่าสา ร, รวันรจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดที่สําคัญเป็นกองทัพธรรมกรรมฐานในสมัยนั้นต่อมาสมเด็จท่านขอร้องให้ท่านพ่อลีสอนสมาธิให้ทุกวันเมื่อท่านปฏิบัติได้ถึงขั้นจิตลงสู่ความสงบท่านถึงกล่าวชมท่านพ่อลีว่า คำพูดของคุณแปลกจากพระกรรมฐานองค์อื่นแม้เราจะทำไม่ได้ไม่ถึงก็เข้าใจได้ชัดแจ้งไม่สงสัยพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาซึ่งเคยอยู่ใกล้ชิดกับเราเราก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนคุณมาอยู่กับเราเพราะเรารู้สึกมีสิ่งแปลกประหลาดใจหลายอย่างในขณะนั่งสมาธิแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็เผยความในใจว่า เราไม่เคยนึกเคยฝันเลยว่าการนั่งสมาธิจะมีประโยชน์มากขนาดนี้เราบวชมานานก็จริงไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้เลยแต่ก่อนเราไม่นึกว่าการทำสมาธิเป็นของจำเป็นแต่บัดนี้เราได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงอันมีผลปรากฏที่ใจแล้ว ด้วยความเมตตาที่ท่านมีต่อท่านพอลีท่านจึงกําชับว่าท่านลีเธอต้องอยู่กับเราจนตายถ้าเราไม่ตายจะหนีไปไหนไม่ได้จะมาเฝ้าหรือไม่เฝ้าอยู่ปฏิบัติก็ตามขอให้รู้ว่าอยู่กับเราเท่า น, นี้ก็พอหลวงตามหาบัวญาณสัมพนโนได้กล่าวสรุปไว้อย่างน่าฟังว่าท่านพอลีนี้เอง เป็นผู้ที่เอาชนะใจสมเด็จได้แต่ก่อนนั้นท่านเป็นคนบ้ายศแล้วเที่ยวขนาบกรรมฐานไปทั่วเที่ยวไล่พระกรรมฐานที่อยู่ในป่าในเขาหลวงปู่มั่นก็เคยถูกไล่ต่อมาในงานเผาศพหลวงปู่เสากันตาสีโลสมเด็จได้พบกับหลวงปู่มัน่นท่านจึงเดินเข้าไปหาและพูดกับหลวงปู่มั่นว่า เออท่านมัน่นเราขอเข้ามาโทษเธอเราเห็นโทษแล้วแต่ก่อนเราก็บ้ายศหลวงตามาหาบัวเล่าพร้อมทั้งหัวเราะมีรอยยิ้มหน่อยๆที่ริมฝีปากเป็นกิริยาที่น่ารักเคารพของพระอริยเจ้าผู้สงบระงับนี่เองสาระสำคัญในบทนี้ ท่านผู้มีธรรมท่านปฏิบัติต่อกันด้วยความงดงามถือธรรมวินัยเป็นใหญ่ไม่ได้ถือยศตำแหน่งอันกิเลตแต่งแต้มให้ลุ่มหลงเหมือนในยุค ป, ปัจจุบันผู้รักธรรมจึงยอมตนสละตนจากความยึดมั่นถือมั่นไปสู่ความว่างเปล่าจากกิเลตแต่เต็มตื้นไปด้วยคุณธรรมเพราะการบรรลุธรรมบรรลุด้วยใจ หาใช่บรรลุ ด, ด้วยยศถาบรรดาศักยเพศภาวะชาติตระกูลญาติพี่น้องทรัพย์สินเงินทองหาไม่หากอยากได้ต้องมีการประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานมีวิชามีธรรมมีศีลและมีชีวิตอันอุดมไปด้วยความดีเท่านั้นเพียงเท่านั้นจริงๆ